แต่ทุกวันพระที่เนี่ยท่านเลี้ยงแต่ตอนเช้าพอตอนเช้ามาเลี้ยงอาหารพร้อมกันแต่ตอนเที่ยงไม่ห่ออาหารให้เพราะทุกคนให้รักษาสินอุโบสถรักษาสินแปดตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วเนี่ยเออในวันนั้ น, นพอขนาดจะยานมเนี่ยเขายังไม่ให้กินล่ะไม่กินไม่ให้กินนมแม่แล้วเมื่อกี้แต่ไม่ให้กินนมละให้กินแต่พวกน้ําตาลพอหยานมไเลยละ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 คงจะไม่ได้มั้งเพราะว่าไม่ได้รักษามันแ ต, แต่เช้าเนี่ยเอแต่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่ะไปหาท่านเศรษฐีไป mm hmm. ไปถามท่าน mm hmm. ท่านก็ยังอยู่ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีท่าน เ, าเศรษฐีครับท่านอนาณาถาบดีครับผมเพิ่งทราบเมื่อเดี๋ยวนี้เองว่าทุกคนไม่มาทานอาหารเอือเพราะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดนี่ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอง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 เพราะเหตุไรเพราะมันเออมันทําเวลาไหนมันก็ชั่วเวลานั้นพอทําความชั่วถ้าทําความดีทําเวลาไหนมันก็ดีเวลานั้นเอาทําได้รักษาศีลได้เล้วถ้างั้นผมขอเ อ, อตั้งวิรัตเจตนาต่อต่อท่านนี่แหละมันกระผมจะรักษาศีลอุโบสถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเออเอ า, เอารักษานะอานาถามดีอธิบายให้ฟังศีลแปดนั่นคืออะไรเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันให้ภาวนาเนาะ แต่แกก็ไปหาที่พักแต่แกก็คนทํางานมาทั้งวันใช่ไหมมันหิวท่านนี่เออมันหิวมันไม่เคยอดอีกต่างหากเหมือนกันเถอะหิวก็อดเหมืนกันเออเพรารักษาศีลแล้วเนี่ยตังสัตร์แล้วนี่พอหิวหิวเข้ามันปวดท้องท่นี่โอ้ปวดท้องทุรนทุรายอยู่ไม่ได้นเพราะงั้นน่ะปวดท้องมากไอ้พวกพนักงานเขาก็อ้าวอันนี้ปวดท้องแรงเหมือ้กั น, นก็เลยไปหาเศรษฐีไปหาเศรษฐีว่าเอ้า มันเขารักษาเอาโภสุธเอากินกินกินข้าวซะก่อนก็ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเน่ยมันชายหนุ่มคนนะ่ะโอ้ยขนคณะขนาดรักษาสินเพียงครึ่งวันทนี้ก็ยังจะให้ขาดสินอีกตายเป็นตายผมไม่ยอมกินเหงื้นเอีผมยอมตายดีกว่าเอาถ้างั้นก็กินพวกเพสัตเหมือนเงี้นพวกน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลได้โยกินน้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยก็จะไม่กินจะไม่มีให้จะไม่ให้อะไรตกคลองเลยเหงือนเงี้ เนี่ยเพราะว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์กวัวมันจะผิดอีกไว้เงั้นเถอะท้งทีนี้ก็ไม่รู้พวกนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงพอต่อมามันก็คงจะลําไส้ทะลุอะไรก็ไม่รู้แล้วเงั้นะไอ้ไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็เลยตายอย่างเรักษาศีลเพียงครึ่งวันตายอย่างเงน้ะพอตายไปแล้วนี่เพราะอันนี้สงสีขึ้นครึ่งวันไว้เงี้ะไปตายตายไปแล้วไปเกิดเป็นลุขะเทวดาเด้ อ่าเป็นลูกขะเทวดาเทวดาเนี่ยมีหลายจำพวกภูมมะเทวดาคือพวกอยู่ตามจอมปวกภูมมิสถานตามถาม้ำตามภูผาปา่าไม้ไอันเรียกว่าอยู่ตามภุมเหมือนกันไม่ใช่ต้นไม้นะี่อยู่ตามเนินดินเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเนินทรายอันนี้เรียกว่าภูมมะเทวดาลูกขะเทวดาคือเทวดาอยู่ตามต้นไม้สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ ต, ต, ต่างแต่นี้ว่าลุกขะเทวดาแต่วชายหนุ่มคนนี้พอตายไปแล้วไปเกิดเป็นลุกคเทวดาไปอยู่ในต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในต้นไซนั้นเหมือนทีนี้พวกฤาษีอยู่ในป่าออยู่ในป่าดงเหมือนกันแต่ที้เอได้ยินข่าวทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกล้วนาอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคาสั่งสอนแล้วพวกเราน่าจะเข้าไปฟังเข้าไปศึกษากับ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 อันนี้พวกฤาษีเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ขาดเกลือลเขาก็เลยจะเข้ามาหาเกลือกินในเมืองเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันก็มาสืบสอบฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเสียงระบือเรื่องลือไปว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเหมือนกันแต่ด้ก็เขาก็เดินทางมาทางมาประมาอยู่ในต้นไม้ที่จะเข้าในเมืองใหญ่เหมือนกันเป็นอยู่ในป่าดงปากตรงเหมือนกันอยู่ในระหว่างปากตรง ระหว่างปากตรงก็เข้าในเมืองอยู่ในคับขับคลาการเหมือนกนอะตอนนี้มีต้นไม้ต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งเออตอนนี้ลือสีทั้งหลายก็มาทั้งห้าร้อยคนมอมาลงโอ้ตายหิวน้ำหิวน้ำหิวมากเหมือน้นอะเออไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนเพราะตัวเองก็เดินมาจากป่าตรงคู่คนก็ไม่เห็นผ่านไปมาแต่มาที่นั่นก็มาก็ก็เลย เอาบริขารของใครของเราก็กวางลงไปกันหนุนหัวนอนเแือนั้นแตนอนก็ น, นอนไม่หลับซิไม่ได้อาบน้ำไม่ได้กินไม่ได้กินน้ําด้วยสิเนี่ยหัวหน้าลือศีกระบอกว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาเอ้ยพวกข้าเดินทางมาพวกข้าบําเพ็ญพจนอยู่ในป่าดงพงไพรักษาศีลแต่บัดนี้จะเข้าไปในเมืองในกรุงอเพื่อจะได้ไปศึกษา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 จูต้นไทรตัวนี้คงจะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เพราะฉะนั้นพวกผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งห้าร้อยเนี่ยเดินทางมานี่หิวน้ําเหลือเกินเหมือนไม่มีน้ําดื่มขอให้เทวดาบรรดา น, น้ําออกมาให้พวกผู้ฆ่าได้กินได้ดื่มด้วยเถิดว่าเนี่ยหัวหน้าหรือสีเหมือนกะไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครเามั้นเออหันหน้าไปเอทวดาอารักษ์อะไรทีนี้เออเพราะมันไม่มีอันจะกินละน้ํา พอจากนั้นมากิ่งไสกิ่งหนึ่งมันไหลน้ำออกมาจากกิ่งไส้เลยว่างั้นะหลยจาะเจาอเข้ามาโ อ, โอ้ลือสีกไ็ได้กินได้ดื่มน้ำพอได้กินได้ดื่มน้ำแล้วก็นพอต่อมาตอนเช้ามารือสีโอเทวดาอารักษ์เอ้ยผู้ค่านี่เดินทางมาเหนื่อยเหลือเกินได้กินน้ำแล้วก็นอย่าว่าเป็นอย่างอื่นเถิดอยากจะกินข้าวอีก ท, ทีวงั้นเทวดาก็ เ อ, อนี่ลมิตรเป็นห่อข้าวหยดรดนับๆประมาวกั น, กนเถอะพวกนั้นก็ได้กินข้าวอีกฤาษีวะท่า น, นาได้กินข้าวอีกแล้วโอ้ยพูกข้าทั้งหลายหัวนาฤาษีวะเ อ, อเห็นต้นไม้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดกใหญ่เ อ, อน้ําก็ได้กินได้ใช้ได้ดื่มแล้วข้าวก็ได้ทานแล้วแต่พูกข้าเลยอยากจะชมบารมีอยากจะเห็นเทวดาเ อ, อเป็น ลักษณะยังไงเนอเทวดาปรากฏให้ผู้ฆ่าได้เห็นด้วยเท่านั้หรือศีว่านะเออพวกฤาษีต่างอขอร้องเหมือนกันเ่อะเทวดาเลยปรากฏตัวให้เห็นฮอปรากฏตัวออกมาจากต้นใจให้เห็นอบอกว่าโอโ้พวกฤาษีก็ยกมือไหว้เทวดาท่านได้ทําบุญอะไรทําไมจึงได้บุญหนักสักใหญ่ถึงขนาดนี้มน่ะ ทางเทวดาก็บอกว่าโอ้ยอายจะพูดเหมือนนั่นอย่าให้พูดเถอะเหมืั่นไม่ไม่ต้องอายเราพูดให้ผมฟังพวกข้าพเจ้าต้องการฟังพวกข้าพเจ้ายินดีฟังขนาดนี้จะไปอายได้ยังไงอปุ่นตักศักใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่น่าจะอายแล้วเหมืั่นเกินกว่ามนุษย์ปนาที่จะทําได้แล้วเหมือนเทวดาเลยก็บอกว่าผู้ฆ่ารักษาศีลเพียงครึ่งวันเองเหมือนั่น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 ข้าพเจ้าตายด้วยความตั้งใจตายด้วยความสัตย์จริงจีตตายถึงจะถึงจะตายข้าพเจ้าก็ไม่ไม่ให้สินขาดอย่างนั้นเถอะพอรักษาสินเพียงครึ่งวันแล้วจะให้ขาดได้ยังไงองพอท่านข้าพเจ้าก็เลยตายพอตายแล้วก็โดยอานิสงส์ศินของข้าพเจ้าเพียงครึ่งวันนั่นแหละได้ให้บมนตรบดาลให้มาให้ข้าพเจ้ามาเกิดอมาสิงสติตอยู่ณตนใจตนนี้มาเนี่แหละเทวดาอธิบาย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 ไปเป็นรุกข้เทวดาได้ฮะเพราะนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่มีเทวดาเนี่ยเพราะนั้นพวกเราหนะ้าปลูกต้นไม้ขึ้นมากันนะั่นเป็นที่พึ่งพาสายเทยวดาทําไปที่ไหนไม่ได้ทําบาปทํากล้ำอะไรไว้ก็เอออย่างน้อยก็เป็นมาเป็นลุกคะเทวดาทีออ่ได้ปลูกเอาไว้มันก็ดีเหมือนกันนะ ด, ออดีกว่าไปตกนระกหมกไหมไปเกิดเป็นหมูหมา ก, กาไก่ยิ่งทุกข์ใหญออ่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยดี สวยความสุขกินอาหารทิพย์อยู่ทิพย์ต่อไปยังคอยบำเพ็ญทานศีลภาวนามาเกิดเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญหาทางพ้นทุกข์ต่อไปคๆรับว่ า, วาเป็นไปพักไปพักยกอยีกจุดนั้นจุดหนึ่งไว้กันเอะดีกว่าจะทะลุลงไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอนาโนตายเกิดมาแล้วมันอยู่ธรรมดาน มาเกิดมาเป็นงูมันก็หิวมันก็กินกุญจัดอื่นมาเกิดมาเป็นเสือมันก็หิว ก, กินสัตว์อื่นมันมีแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรทั้งนั้นทีเียที่จะเข้ามาสู่สัพรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่รักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งตนตนเองและผู้อื่น่ะสัตว์อื่นมีแต่ความสงบรล่มเย็นเป็นสุขนะเป็นหนทางแห่งความราบรื่นของชีวิตของวิญญาณนั้นๆะ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 เออพมก็เหมือนกันมีพรมน้อยพรมใหญ่เหมือนกันนะพรมมีอำนาจพรมเออพรมที่บำเพ็ญญาณที่สูงส่งมีเออมาหาพรมก็มีว่าน่ะเทวดาก็มีเป็นขั้นตอนมีแต่พระนินนะพพานเท่าน่ะเออพระนิพพานสุขวิปัสสโกอยู่ในโลกนะี่มีพระหันอยู่สี่จำพวกนะสุขาวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพ ป, ปัตโตพระหันมีอยู่สี่จำพวกอยู่ในโลกนะ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 พ่อค้าประชาชนก็มีแอลญาจกวันนีพกก็มีนักบวชก็มีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่น ะ, ะมันแยกกันโดยอัตโนมัติว่า ง, ง น, น, นั้นเะนี่แหละชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะนั้นการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพียงรักษาศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็นยังได้อเ น, นสงยังส่งให้เป็นไปเกิดเป็นรุกขเทวดาได้นะ อันอรับผนันต้นนี้อนโมตนาให้ผ่